เป็นอกุศลที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมปรใช่สกรูปายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุสนเป็นอกุศลที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุสลที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมปรใช่สกสัตยายตนะคันทายายตนะ รสายตนะโพธพายตนะปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอสุจิน้ำตาโลหิตเหงื่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอรูปลายาตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นอัพยกฤิตที่วิปยุจจากผัสสะใช่ไหมปอรอใช่ สกรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยกริที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัท ธ, ธายตนะคันธาายตนะรสาายตนะโพธพาายตนะปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวาโยธาตอาสุจิน้ำตาโลหิตเงื่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศล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 คันทายตนะรษ า, ายตนะโพธพายตนะปทวีธาต์อโปธาต์เตโชธาต์วาโยธาตอสุจิน้ำตาโลหิตเหงือ่อที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอกุศลที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปลายตนะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้ เป็นอัพยากฤิตที่วิปยุจจากภัษะใช่ไหมปรใช่สอกอรูปที่เป็นวจีกรรมที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นอกุศลรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอัพยากฤิตที่วิปยุจจากภาษาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสรัทธายตนะคันทายตนะรัศายตนะโพธพายตนะปัทวีธ า, า, ปปาตาโชธาติวายโยธาต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 รูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมสกใช่ปรกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากกายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้สกรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหม ปรใช่สกจักขายตนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปรใช่สกโโซตายยตนะพานายยตนะชิวหายยตนะกายายยตนะรูปายยตนะสัทธายยตนะคันทายยตนะรัายยตนะ โภธพายตนะปทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวาโยโธาอาสุจิน้ำตาโลหิตเหงื่อเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอกลายเป็นรูปกายกรรมก็เป็นรูปใช่ไหมปอรรใช่สอกอมนโนเป็นรูปมนโนกรรมก็เป็นรูปใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกมโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรใช่สกกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายเป็นรูปแต่กายกรรมเป็นนามใช่ไหมปรใช่สกมโนเป็นรูปแต่มโนกรรมเป็นนามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกมโนเป็นนามมโนกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรใช่สกกายเป็นนามกายกรรมก็เป็นนามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกจักขายาติณะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นจักขวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกโสตายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นโสตะวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกคานายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นคานวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกชิวหายาจนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นชิวหาวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลายเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายกรรมจึงเป็นรูปใช่ไหมปรใช่สก กายายตนะเป็นรูปเพราะเหตุนั้นกายวิญญาณจึงเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสามสิบเก้ากรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิสุททั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมเด้วยกายวาจาใจมีอยู่จริงไม่ใช่หรือ ปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกรูปเป็นกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานน์เมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะกายสัญญเจตนาความจงใจทางกายเป็นเหตุหรือว่าเมื่อวาจามีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะวิจีสัญญเจตนาความจงใจทางวาจาเป็นเหตุหรือว่าเมื่อใจมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในจึงเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนาความจงใจทางใจเป็นเหตุมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกรูปเป็นกรรมใช่ไหม ปรอใช่สอกอรพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายสัญญเจตนาสามอย่างเป็นกนยายกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากวจีสัญเจตนาสี่อย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากมโนสัญเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบาก ทิสุทั้งหลายกายสังเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากวจีสังเจตนาสี่อย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากมโนสังเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรรใช่สก ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมสกรูปเป็นกรรมใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์ถ้าโมฆบุรุษนามว่าสมิธินี้ถูกปาตลีบุตรปริภาชกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านปาตลีบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจ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 ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปาตรลบุตรปริภาชกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ารูปเป็นกรรมรูปปังกรรมมันเตกถาจบสิบชีวิตตินตรียกถาว่าด้วยชีวิตตินสีห้าร้อยสี่สิบสอกอชีวิตตินสีที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหม ป, <ENNIS S 1> ปรใช่สก อ, สอสสายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงไม่มีแก่สภาวธรรมที่มีรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวะธรรมที่มีรูปใช่ไหมปรใช่สกาหากอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวะธรรมที่มีรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีสกอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริริยาที่เป็นไป อาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แกรสภาวธรรมที่ไม่มีรูปชีวิตินทรียีที่ไม่เป็นรูปจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปยุรยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แกรสภาวธรรมที่มีรูปชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปจึงมีอยู่ใช่ไหม อ, อรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แกรสภาวะธรรมที่มีรูปแต่ชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรใช่สอก อ, อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบต่อความเป็นอยู่ ความหล่อเลี้ยงมีอยู่แก่สภาวธรรมที่ไม่มีรูปแต่ชีวิตตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปเป็นชีวิตตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกอายุของสภาวธรรมที่มีรูปเป็นชีวิตตินทรีย์ที่เป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อายุของสภาวธรรมที่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตอินรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตอินรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสี่สเอ็ดกอายุของสภาวธรรมที่มีรูปเป็นชีวิตอินรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่ สกอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปเป็นชีวิตตินรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอายุของสภาวธรรมที่ไม่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตอินรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกอายุของสภาวธรรมที่มีรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตตินรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอายุของสภาวธรรมทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปเป็นชีวิตดินรีที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกอายุของสภาวธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูปเป็นชีวิตดินรีที่เป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอายุของสภาวธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูป ทา aa, ่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตตินทรีย์ที่เป็นรูปใช่ไหมปรใช่สกอายุของสภาวะธรรมทั้งที่เป็นรูปและไม่เป็นรูปท่านไม่ยอมรับว่าเป็นชีวิตตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชีวิตตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่มีชีวิตตินทรีย์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสี่สิบสองสกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์อยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีสกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรใช่ สกชีวิตินทร์ย์นั้นนับเนื่องในขันไหนปรนับเนื่องในสังขารขันสกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมี ส, ส, สังขารขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมีสังขารขันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตมีเวทนาขันสัญญาขัน วิญญาณขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตมีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่เข้านิโรธาสมาบัตมีเวทนาขันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสี่สิสาสกชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปไม่มีใช่ไหม ปรใช่สกอสัญญาสัตว hmm. ์ไม่มีชีวิตินณรีย์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอสัญญาสัตว์มีชีวิตินณรีย์ใช่ไหมปรใช่สกหากอสัญญาสัตว์มีชีวิตินณรีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าชีวิตติณรีย์ที่เป็นรูปไม่มีสกอสัญญาสัตว์มีชีวิตินณรีย์ใช่ไหมปรใช่ สกชีวิตตินทรีย์นับหนึ่งในขันไหนปอร์นับหนึ่งในสังขารขันสกอาสัญญัตมีสังขารขันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอาสัญญัตมีสังขารขันใช่ไหมปอร์ใช่สกอาสัญญัตมีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อสัญญาสัตว์มีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันใช่ไหมปอรอใช่สกพบแผงอสัญญาสัตว์เป็นพบที่มีขันห้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสี่สิบสี่กเมื่อปฏิสนธิจิต ด, ดับไปชีวิตดินรีที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปส่วนหนึ่งใช่ไหมปอรอใช่สก เมื่อปฏิสนธิจิตดับภาษาที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปส่วนหนึ่งไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปภาษาที่เกิดขึ้นด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหมปรใช่สกเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปชีวิตินทร์จีที่เกิดด้วยปฏิสนธิจิตย่อมแตกดับไปทั้งหมดใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสี่สิบห้าปรชีวิตตินทรีย์มีสองอย่างใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลมีชีวิตอยู่ด้วยชีวิตตินทรีสองอย่างตายด้วยความตายสองอย่างใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นชีวิตตินตรียะกถาจบสิอกรรมเหตุตุกถาว่าด้วยเหตุแห่งกรรม ห้าร้อยสี่สิบหกสกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระสกทาคามี พระอนาคามีเส <ajuda> ื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห <ij> ่งกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโสดาบันไม่เสื่อมจากโสดาปิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระสกทาคามีพระอนาคามีไม่เสื่อมจากอนาคามิผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ไม่เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมราา tells, ใช่ไหมปรใช่สกเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าสัตว์ใช่ไหม อรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระเหตุแห่งกรรมคือการลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งกรรมคือการประพฤติผิดในกรรมเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเท็จเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดคำหยาบเพราะเหตุแห่งกรรมคือการพูดเพ้อเจ้อเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่ามารดาเพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าบิดา เพราะเหตุแห่งกรรมคือการฆ่าพระอรหันต์เพราะเหตุแห่งกรรมคือการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตท่อเพราะเหตุแห่งกรรมคือการทำลายสงให้แตกกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผลเพราะเหตุแห่งกรรมอะไรปรเพราะการกล่าวตูพระอรหันตทั้งหลายสกพระอรหันตเสื่อมจากอรหัตผล เพราะเหตุแห่งกรรมคือการกล่าวตูวพระอรหันต์ทั้งหลายใช่ไหมปรใช่สอกอคนทุกคนที่กล่าวตูวพระอรหันต์ทั้งหลายทําให้แจ้งอรหัตผลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นกรรมเหตุตุกคาจบอัตมวัฏจบรวมคาถาที่มีในวัฏนี้คือหนึ่งฉากติกาถาสองอันตราภวะกถา สกามคุณนักถาสกามกะถาห้ารูปธาตุกถาหอรูปธาตุกะถาเจ็ดรูปธาตุยาอายตนะกถาแปดอรูเปรูปกถาเกรูปังกรมมันติกถาสิบชีวิตินตริยะกถาสิบเอ็ดกามเหตุกถา Thank you.